ท่านสุขท่าสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์แก่นัเกเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องสุขของคารหัสสี่อย่างคำว่าสุขของครหัสสี่อย่างซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่อนาถานิกเศรษฐี โดยความเป็นสุขของครรคชนผู้ยังบริโภคการอยู่จะพึงได้รับในสมัยที่ตนยังครอบครองเรือนอยู่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ครอบครองเรือนสุขอย่างนี้ก็จะหมดไปก็จะหมดไปซ้ำร้ายก็อาจจะต้องทําให้เรานั้นเกิดทุกข์เกิดโทษหรือว่ายังติดพบติดชาติอยู่แต่ถ้าหากว่าเราหลีกจากสุขอย่างนี้เรียกว่าเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตเป็นนิรามิตสุข แน่นอนที่สุดแล้วก็จะเป็นอมตะสุขคือเป็นสุขชั่วนิจมิรันดอฉะนั้นสุขอของคาริหัต ส, สี่อย่างก็มีหนึ่งสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สองสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสามสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้สี่สุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปราศ จ, จากข้ษ อันนี้นักเรียนนักศึกษาและรรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายโปรดได้รับรู้รับทราบว่าสุขที่เกิดจากเครือขัดสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์นั้นก็หมายความว่าทรัพย์เป็นเครื่องครื่งใจทรัพย์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้จ่ายหรือว่าแลกเปลี่ยนเพื่อการยังชีพให้อยู่ไปวันวันหนึ่งออย่างนี้ชื่อว่าทําให้เราเกิดความสุขได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซับนี้มีอยู่สองประเภทคือเป็นทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเรียกว่าวิญญาณนักศึกษาแล้วก็เป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองก็คือเอาวิญญาณนักรัพย์พูดง่ายๆก็คือว่าทรัพย์ที่มีวิญญาณก็คือเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่นเป็นคนสัตว์อย่างนี้เป็นต้นส่วนทรัพย์ที่ไม่มีชีวิตนั้นก็ได้แก่พวกปัจจัยสี่ต่างๆ เสื้อผ่าอาภท่านสบายปกเงินตร า, าบ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆอย่างนี้ถือว่าเป็นทรัพย์ที่ไม่มีชีวิตฉะนั้นสุขแต่ความมีทรัพย์ก็คือว่าการที่เรามีทรัพย์ใช้จ่ายสอยในชีวิตประจำวันนั้นในทางคดีโลกก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากแล้วก็เราทุกคนที่ประกอบอาชีพกันทุกวันนี้ก็เพื่อต้องการทรัพย์ เพราะการงานที่เราได้ทําไปก็ดีจะเป็นของรัฐบาลหรือว่าเป็นรัฐวิสาหากิจหรือว่าเป็นองค์การต่างๆจะเป็นเอกชนอะไรก็แล้วแต่จุดสําคัญก็คือว่าเราต้องการทรัพย์นะคาว่าทรัพย์นี้อาจจะเป็น เ, เงินตราหรือแก้วแหวนเงินทองอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ใช้แลกเปลี่ยนในการที่จะทําให้เรานั้นเกิดความสุขได้ทีนี้ไอ้คาว่าทรัพย์ในทีนี้บางทีเราก็พูดกันแค่ว่าเงินคําเดียว มาพูดเรื่องเงินอันนี้มันก็แคบไปไนยแคบไปฉะนั้นทุกวันนี้เราจึงได้ผลเป็นว่าเศรษฐกิจตกสะเก็ดอันนี้ก็หมายถึงว่ารู้สึกว่าการจะสแสวงหาทรัพย์มันฝืดเครืนนะไม่พอกับการใช้ใจ่ายในครอบครัวคือบางคนมักจะบอกว่ามีลูกสองคนน ะ, ะแล้วก็กับพ่อกับแม่เงินเดือนห้าพันก็ไม่พอใช้หกพันก็ไม่พอใช้นี่ฉะนั้นอันนี้มันก็ทาให้เกิดความทุกข์ได้ เกิดความทุกข์ได้หรือบางคนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใหญ่ๆสูงๆขึ้นไปอีกบางครั้งใช้เดือนละหมื่นก็ไม่พอใช้เรียกว่าใช้มากตามตัวใช้มากตามตัวฉะนั้นอันนี้แหละในทางพระพุทธศาสนาจังถือว่าคนถ้าหากว่าแสวงหาทรัพย์มาได้โดยสมบูรณ์แล้วก็รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญ แต่ข้อสําคัญก็คือว่าให้สุขเกิดจากการมีทรัพย์นั้นเราจะต้องรู้ว่าทรัพย์นั้นมันมาได้อย่างไรนี่ข้อนี้สําคัญอถ้าหากว่าอยู่ดีๆจะมีทรัพย์ขึ้นมาเลยไม่ได้แต่ท่านผู้ฟังอาจจะคัดค้านว่าบางคนเกิดมาเป็นกองเงินกองทองอันนั้นก็จริงอยู่แต่มันเป็นชั่วะยะเดียวซึ่งเป็นทรัพย์ที่พ่อแม่ได้สะสมเอาไว้ไม่สร้างเอาไว้อเกิดมาก็รู้รู้แต่การกินการใช้จ่ายทรัพ เนี่ยตัวเองนั้นยังไม่ได้ทำงานยังไม่มีเงินดาเงินเดือนแล้วก็แม้แต่ว่าจะประกอบกิจการบ้านต่างๆก็ยังทำไม่เป็นเพราะว่าบางาคนบางบ้านนั้นมีคนใช้อ่าแล้วก็มีเครื่องทุนแรงหลายๆอย่างจึงทำให้ตนเองนั้นทำงานไม่เป็นฉะนั้นทรัพย์จะเกิดมาได้นั้นจะต้องเกิดจากการกระทําตเกิดจากการสร้างสะสมทุกสิ่งทุกอย่างกาทำและทำอะไรคือทำงาน มีคำขวัญของรัฐบาลสมัยหนึ่งบอกว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขงานนั่นแหละเป็นตัวเงินนไอเงินนั่นแหละคือมาจากงานทั้งเงินทั้งงานนั่นแหละบรรดาลให้คนมีความสุขได้ตอนนี้มันก็เข้าทานะคิปในแง่หนึ่งก็เข้าทาในแง่รอบๆนะแต่อีกบางคนก็พูดบอกว่าเพราะรัฐบาลไปให้คำขวัญอย่างนี้จึงทําให้คนนั่นเห็นแก่เงินนะ่เห็นแก่เงิน ทำอะไรพอไม่ได้เงินก็บน่นได้เงินน้อยก็บน่นอะไรทําให้คนนั้นประพฤติในเรื่องการมิจฉาชีพมิจฉาชีพหรือมีการชออ่ชอโกงช่อราดบางหลวงอะไรก็แล้วแต่อ่าว่าอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งก็แล้วแต่จะคิดกันไปแต่ถ้าเรามองดูในแง่หนึ่งจงบอกว่างานคือเงินเยเพราะคนเราถ้าหากว่าได้ทํางานแล้วเงินมันก็มีเงินมันก็มีถ้าไม่ทํางานแล้วเงินมันก็ไม่มีนี่เราคิดกันแค่นี้ ก็เพื่อปลูกฝังให้คนนั้นต้องรักการทำงานเต้องรักการทำงานงานไม่ว่าเป็นงานส่วนตัวหรืองานของหลวงของราช ก, ก็แล้วแต่เมื่อทำแล้วมันเป็นกันทั้งนั้นทำแล้ทำให้ทำให้เรามีคุณค่าเขาจึงบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนี่ยค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าหากว่าคนเราไม่ทำงานไอ้ค่าของคนมันก็จะหมดไปคนเราก็ไม่มีค่า เมื่อไม่มีค่าไอราคาของคนมันก็หมดไปอีกด้วยนะก็หมดไปอีกด้วยฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงมาทำงานนะถ้าหากว่าทุกๆประเทศเหรือคนภายในประเทศนั้นตามก็มีงานทำกันทุกคนแน่นอนที่สุดประเทศนั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่จะนั่งขั่งสมบูรณ์ที่สุดจะไม่ต้องเสียเงินตราไปใช้จ่ายในสิ่งที่ปล่าประโยชน์เกี่ยวกับคนม่างงาน เพราะทุกวันนี้แต่และประเทศเดือดร้อนเกี่ยวกับคนว่างงานรัฐบาลจึงต้องหาเงินช่วยเหลือชดเชยกับคนว่างงานถือว่าทําให้เสียเศรษฐกิจไปโดยโสูญเปล่าประโยชน์ไปเสียเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นทุกๆประเทศจึงพยายามหางานหรือว่าพยายามสร้างโรงงานสร้างแหล่งผลิตอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้คนภายในประเทศนั้นทํางานเมื่อทํางานแล้วก็ย่อมจะมีเงินก็คือมีเงินดาวมีเงินเดือนอเป็นการแลกเปลี่ยน อาจจะมากน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับการงานดังนั้นเมื่อเราจะพูดให้สั้นๆง่าย ใ, ใจความที่สุดก็คือว่าหาทรัพย์จะเกิดขึ้นได้ก็คือหนึ่งต้องขยันนี่ข้อแรกคือขยันคนถ้าขยันแล้วก็หาทรัพย์ได้เนียขยันแล้วหาทรัพย์ได้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าอุทษาตาวิงคาเตทานันว่าคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ ก็ตรงกันข้ามาคนเกียดคิ้านก็ย่อมหาทรัพย์ไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคนเกียดคิ้านก็หาทรัพย์ไม่ได้คือเกลียรติค้านไม่ทํางานข้อนี้ถือว่าเป็นภัยใหญ่หลวงเป็นการขดหลงฝังตัวเองนะขดหลงฝังตัวเองฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงเกิดมาเพื่อ ง, งานนะจงเกิดมาเพื่อ ง, งานดังนั้นเราทํางานก็ถ้านดยทําจริงๆแล้วก็ทํางานเพื่อ ง, งาน ไอเราทำงานเพื่องานก็คือว่าพยายามทำงานให้ดีตั้งใจทำให้ดีแล้วทำให้ทันเวลาแล้วก็ให้เสร็จตามเวลาแล้วรู้จักปรับปรุงแก้ไขให้มันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าจะมากได้คนที่ทำงานอย่างนี้เขาเรียกว่าทำงานเพื่องานโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าจะได้เงินตอบแทนมากน้อยเท่าไรไม่ได้คำนึงถึงเพราะถือว่าตนได้ทำงานนั้นก็เท่ากับว่าตนได้ช่วยประเทศชาติ ตนได้ทําตามหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าทุกวันนี้คนเรามักจะเลิกงานไปทํางานถ้าหากว่าได้เงินน้อยก็บน่นลาออกอีกแล้วผลที่สุดก็เลยหลายหายคนก็คิดอย่างนี้เข้าอาทั้งๆ ท, ที่ว่าถือว่าตัวเองมีความรู้จะต้องเรียกร้องเอาเงินเดือนเงินดาวเท่านั้นเท่านี้เงื่อไม่ได้ก็ลาออกเมื่อทุกคนคิดกันอย่างนี้คนในประเทศชาติก็เกิดว่างงานว่านี่เนี่ยถือว่าเป็นการสูญเปล่าอ่าในเรื่อง้านเศรษ ฐ, ฐกิจ ผลเปล่าในการดําเนินชีวิตอข้อนีอ้ถือว่าเป็นภัยสําหรับประเทศชาติอย่างยิ่งะฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาขยันทําการงานบางคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ขยันทํางานราชการแต่ว่าเขาก็ขยันทํางานส่วนตัวก็ทําให้เกิดความร่ำรวยได้ก็มีมากนะทำให้เกิดความมั่นคั่งสมบูรณ์เกี่ยวกเกลื่องทรัพย์สมบัติก็มีมากนะอย่าว่าแต่อย่างนั้นเลย เรามันดูบางคนแค่เขาเพาะถุงงอกขายอย่างเดียวก็ตั้งเป็นโรงงานร่ํารวยได้ทําไม้จิ้มฟันหนึ่งเดียวก็ยํารวยได้นี่รับภาษาอะไรบางคนทําดอกไม้ขายก็ร่ำรวยได้เนี่นี่อีกหลายๆอย่างบางคนลงทุนนิดเดียวนะจากของนิดเดียวทําให้รวยนะแต่ขอให้ทำจริงๆเ่ะมันอยู่ตรงนี้นี่จึงบอกแล้วว่าคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้นี่เป็นพุทธพจน์นะเป็นพุทธพจน์เลยและในอีกบทหนึ่งที่บอกไปว่า อุทนานสัมปทาทั้งพร้อมด้วยความขยันนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจเศรษฐีว่าคนถ้าหากว่ามีความขยันมีความหมักมันมีความมานะอดทนทําการงานโดยไม่หวาดหวัน่นพลันพลันต่อความเหนื่อยยากต่อความลําบากไม่โยนย่อท้อถอยต่อแดดต่อลมต่อฝนต่อความหนาวอย่างนี้แน่นอนที่สุดทรัพย์สินเงินทองก็ย่อมจะมีใช้มีจับใจโดยสมบูรณ์นโดยสมบูรณ์ไม่เดือดเนื้อร้องใจ นะไม่เดือดเนื้อร้อนใจแต่การต่อมาก็คือว่าเมื่อเราขยันหาทรัพย์แล้วเราก็ต้องรู้จักเก็บนะรู้จักจับจ่ายข้อนี้สําคัญนะรู้จักเก็บก็คือรู้จับประหยัดนั่นเองนะไอการรู้จักประหยัดนี่ก็หมายถึงว่าเพราะทรัพย์นั้นนะเราเอามาเป็นเครื่องใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของกินของใช้นะที่เราต้องดูว่าไอของกินของใช้นะ่ะอะไรมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะ ทีนี้ไอ้คนเรานี่บางคนหาทรัพย์ได้มากกว็จริงแต่ว่าไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่ายซับไม่ได้พิจรารณาว่าไอ้ของที่เราจะกินเนี่ยจาเป็นไหมมันเหลือเฟือไหมมันฟุ่งเฟือยไหมเอีไอ้ของที่เราจะใช้นั้นมันเกินความพอดีไหมมันฟุ่งเฟือยไปไหมเนี่ยเราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจรารณาในข้อนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะทําให้รู้จักการประหยัดรู้จักการใช้จ่ายทรัพย์ อพอเหมาะพอควรได้กวารู้จักประมาณตามฐานะของตนรางค้นใช้จ่ายเกินฐานะก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดการขาดแคลนทรัพย์ได้ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักประหยัดเหมือนอย่างคำของนักปราชญ์สมัยก่อนฉันได้บอกว่ามีถลึงพึงบันจบให้ครบบัทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เมื่อมีน้อยใช้น้อยค่อยบจงยาจ่ายลงให้มากจะยากนาน ไม่ควรซื้อก็อย่าไปที่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งค้าวหวานนี่อะไรควรซื้อไม่ควรซื้อนี่อะไรควรกินไม่ควรกินบางควรกินจบกินจิตกินแล้วกินเล่ากินที่นี่แล้วต้องไปกินที่โน่นอีกกินที่โน่นก็ต้องไกลบางครั้งไกลแสนไกลเขาไปผลที่สุดกินจนกระทั่งตัวตายกลับมารับชนกันมั่งอะไรกันมั่งกินข้าวอย่างเยวอาหารอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสุร า, าปราปิ้อะไรกันก็ทําให้เกิดการขับรถชนกันหรือว่า อ่าแสงแทกโค้งไปบ้างอะไรไปบ้างก็ตายกันพอดีนี่เขาเขาเรียกว่ากินไม่โลือที่นะกินไม่เลือกที่ไม่รู้จักประมาณการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันฉะนั้นอันนี้ถ้าหากว่าเรารู้จักประหยัดการกินการใช้จ่ายตามร้อมเหมาะพอควรแก่ฐานะแน่นอนที่สุดเราก็จะมีควา ม, มั่งครั่งสมบูรณ์ได้และการต่อมาก็คือว่านอกจากขยันแล้วแล้วก็รู้จักประหยัดแล้วเราก็ต้องรู้จักคบเพื่อนที่ดี เรื่องการครบเพื่อนนี่สำคัญคบเพื่อนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบเพื่อนชั่วก็พาตัวให้อัปราราชัยคืพาตัวให้วาดไวายได้ต่อให้มีเงินเป็นแสนเป็นล้านหมดได้มีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์ตั้งสี่สิบกอดนะสี่สิบกดได้มอบทรัพย์ให้ลูกชายเนี่ยเมื่อใกล้จาะตายไปสี่สิบกอดนี่เอาไวต้ตั้งเป็นทุนนะตั้งเป็นทุนแลวลูกชายนี่ก็สืบอทอด ส ก, กุลของเศรษฐีนี้ได้เป็นอย่างดีคือเป็นคนมีการขยันประหยัดสุดสัพย์อดทนเป็นคนกระทำอยูแต่มีพวกนักเลงเหล่านักเลงการพนันหรือไหว้นมคนนี้ลูกเศรษฐีนี้เป็นคนมีเงินมากเราจะต้องหาทางเปรียกหล่อมออกมาเป็นสนักพรรคพวกให้ได้เพื่อต่อไปเราจะได้อาศัยทรัพย์ของลูกชายเศรษฐีนี้ในครั้นทำมาหากินก็ปรกากฏที่ได้ขอชวนไปดื่มเหล้าชวนดื่มน้ำจันทร์ ไอทีแรกก็เอานิดนิดหน่อยหนออเอานีดนิดหน่อยหน่อยผสมให้มันหวานเข้ามาเลมันก็เกิดการติดใจเนียไอทีล้วนิดมันมันบ่อยเข้ามันก็มากพอมากเข้าก็ติดพอติดแล้วทอนนี้ก็เอาเลยเอ่ทีนี้เมื่อเอพื่อนฝูงเลี้ยงอ่าตัวมั่งตัวก็ต้องเลี้ยงเพื่อนฝูงมั่งพอเลี้ยงบ่อยเข้าเข้วเข้าทีนี้ก็มืเติบแล้วงาเข้าไปชวนเพื่อนฝูงไปกินอ่าไปเที่ยวสารเพสารพัดนะเป็นนักเลง อสุราเป็นนักเลงการทพ ง, งานเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงชายควบคนทั่วเป็นนิตไอเงินสี่ิบกดอยู่ไม่นานหมดนี่ตัวเองต้องขอฐานเขากินนี่เพราะอะไรก็เพราะคบเพื่อนไม่ดีฉะนั้นเรื่องเพื่อนเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมีภาสิตรบบหนึ่งบอกไว้ว่าคนจะดีบางทีก็เพราะเพื่อนช่วยตักเตือนเงื่อนงำตามมิสัยแต่บางทีเพื่อนนี้ก็เป็นภยัยเป็นปัจจัยให้เราต้องเผาเรือนนี่ฉะนั้นขอให้เราทุกคน ต้คบเพื่อนที่ดีนะคบเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีสามารถที่จะแนะนําให้เราไปในทางที่ดีได้บอกทางดีชี้ทางชั่วได้แนะนําเราให้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้แม้ยามที่เราลำบากสาหัสพลังเพื่อนที่ดีก็ช่วยแก้ไขชักจูงให้เรากลับเนื้อกลับตัวได้แมะยามเรามีทุกโศกโรคภัยต่างๆเพื่อนที่ดีก็ช่วยเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ จนกระทั่งที่สุดเพื่อนที่ดีนั้นสามารถเอาชีวิตเข้าแน่กับเพื่อนได้นี่ช่วยเหลือเพื่อนได้ตายแทนเพื่อนได้ตรงกันข้ามเพื่อนชั่วนี้มีแต่ชักนําให้เราทําในทางแต่ชิบหายวายว่ชักนําเราในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเมื่อถึงคราวที่เราตกกระทำลาบากเพื่อนนี้ก็จ ะ, ะหายหน้าหลบหนีไปอแล้วก็พยายามเอาเปรียบเราอยู่ตลอดเวลานี่เพื่อนอย่างนี้ถือว่าเป็นเพื่อนไม่ดี ดังนั้นเพื่อนที่ดีนั้นแม้จะมีหนึ่งก็ดีกว่าเพื่อนชั่วตั้งร้อยตั้งพันเหมือนกับพาสิทว่าเพื่อนอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดฤศยาเหมือนมีเกลือ น, นิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่ามีน้ำเข็มเต็ ม, ตมทะเลมีดังนั้นขอให้ท่านผู้ฟังลองคิดดูไอ้เกลือ น, นิดหน่อยเนี่ยมันอยู่ในครัวเอามาโติมต้มเติมตตตแกงอะไรได้ทันใจ ไอ้น้ำเค็มเป็นตะแลงจะมาเติมอะไรมันก็ไม่ได้เนีไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นจึงบอกว่าไอ้เพื่อนที่ดีนี่หนึ่งดีกว่ามีเพื่อนชั่วตั้งร้อยตั้งพันนะฉะนั้นก็นี่แหละจึงบอกว่าอเรามีทรัพย์จะเกิดข็ได้ต้องคบเพื่อนดีด้วยนะและประการสุดท้ายเราต้องรู้จักดาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะอย่าให้มันฟุน่มเฟือยเกินไปอย่าให้เฟืเ่เฟืองเกินไปอย่างนี้ทรัพย์ก็จะมีใช้จ่ายทำให้เราเกิดความสุขความเจริญได้ประการที่สอง สกเกอรแต่การใช้สกเกอรแต่การจ่ายทรัพ บ, บริโภคก็ดังที่ได้ว่ามากับข้หนึ่งนั้นผสมกันไปว่าเราต้องใช้จ่ายทรัพในการบริโภคในการใช้สอยให้พอเหมาะพอควรกับฐานะของเราอะไรควรจับจ่ายไม่ควรจับจ่ายเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้เครื่องประดับภายในบ้านเราก็ต้องดูว่าอะไรมันจําเป็นไอ้สิ่งที่ไม่จําเป็นเราจะเอาไปนะเราจะเอามาสะสมมากมันไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์ทุกวันนี้รู้สึกว่าแต่ละบ้านนั้นมีเครื่องสุขภัณฑ์เกินฐานะกันมนะเกินฐานะนะนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับเป็นพิษเป็นภัยกับเราบางครั้งเวลาเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมเราก็เลยไปห่วงกันแจกปลอกเครื่องที่มันเกินความจำเป็นปกทีวีปกวิทยุ ป, ปกโทรทัศน์ตู้โต๊ะตังเตียงอะไรเนี่ยวัแต่ไปสารวณคนของปวกนี้ ไม่ืลิกหม้อข้าวหม้อแกงผลที่สุดก็คือถึงเวลาอยากจะกินข้าวกินปลาจะมาไม่มีหม้อข้าวหม้อแกงตาไฟฟ้าที่จะหุงข้าวอดตายกันพอดีลูกราอยากจะกินข้าวไม่มีข้าวอให้ลูกกินก็เพราะเราโม่แต่ไปสารวณกับไอ้เครื่องสิ่งเหล่านี้มากเกินไปไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เอามาหุงมาต้มมาแกงกินไม่ได้ถึงเวลาขัดจนจริงๆลำบากฉะนั้นอันนี้แหละเราจรึงบอกว่าเราจะจ่ายใช้สอยสิ่งเหล่านี้เกิน เ, เกินความจําเป็น มนันเป็นของฟุ่มเฟือยเรื่องน้ำเดิมน้ําใช้เหมือนกันเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วน้ําเนี่ยเราเอามาแล้วมาต้มมันก็ปลอดภัยดีแล้วแต่เราน่กจะเอาง่ายๆต้องไปซื้อน้าําโพลนิดหรือน้ําทิพซึ่งขวดตันทีสามบาทสี่บาทห้าบาทเนี่ยมันก็เกินความจําเป็นนะเกินความจําเป็นฉะนั้นอันนี้เราขอให้เราจงอใช้จ่ายทรัพย์บริโภคให้พ้อมเหมาะพอควรก็จะเกิดความสุขได้ถ้ามันเกิน ความจําเป็นกินเกินความจําเป็นใช้จ่ายเครื่องสุขภัณฑ์ต่า ง, างๆเกินความจําเป็นแน่นอนที่สุดเราก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนอ่าฉะนั้นก็สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพบริโภคก็ถือว่าเป็นความสุขสําหรับครฤหาสน์อย่างหนึ่งแต่า ก, การที่สามสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้อีทงังอีกนางอีทังทุกครั้งโลเกออ่าอีนางทุกครั้งโอเก ว่าความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะคนเป็นหนี้นะเป็นทุกข์ในโลกอืคนไม่มีหนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นสุขในโลกฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นพยายามอย่าเป็นหนี้กันอ่าเป็นหนี้อะไรไอ้หนี้ชีวิตน่ะทุกคนมันก็เป็นหนี้กันอยู่แล้วนะทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันลูกต้องเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นหนี้บุญคุณของลูกลูกก็ต้องช่วยกันเหมือนกันต่างคนต่างเป็นหนี้บุญคุณของกันและกัน ต้นมาพรากไม้มันก็มีบุญคุณแก่เราเอาเราก็มีบุญคุณแก่มันดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็เป็นนีบ่บุญคุณของกันและกันแต่ว่านี่ในที่นี้หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรือว่าทรัพย์สมบัติต่างๆคือสําหรับคนที่เกียดติค้านก็เที่ยวกู้นี่ยืมสินเข้ามาอันนี้มันเดือดร้อนะ น, ะนะกู้นี่ยืมสินเข้ามาบางคนก็นี่ท่วงท้นตรงโถไฟล้มละลายไปก็มีนะบางคนก็แก้ปัญหาเรื่อง ใช้หนี้ไม่หวัดไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายบางคนก็เป็นหนี้แล้วไม่ใช้ก็โทรเขาฆ่าตายนี่นี่มันเรื่องของเรื่องเป็นเกิดความทุกข์ทั้งนั้นเกิดความทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่อยากเป็นหนี้เราก็ต้องต้องสร้างเงินขึ้นมาด้วยการขยันทํากากรงานขยันทำ ง, งานคนขยันแล้วก็ครับเราไม่เป็นหนี้แต่ถ้าคนเกียรติ้านั่นต้องเป็นหนี้แต่ก็นั่นแหละจริงบอกว่าต้องใครรู้ ต้องหนึ่งขยันสองประหยัดสามชื่อศักดิ์สิทธิ์ทนห้าเป็นคนกระตัญญูหรือว่าขยันประหยัดคบเพื่อนที่ดีรู้จักใช้จ่ายทรัพย์อย่างนี้แนะ่นอนว่าเราจะไม่เป็นหนี้ใครเราจะไม่เป็นหนี้ใครแต่ที่เราเป็นหนี้เขาเพราะหนึ่งเราเกียรคร้านทําการงานสองเราใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะเกินความจําเป็นสามคบเพื่อนที่ไม่ดีนะ เมื่อคบเพื่อนชั่วเมื่อคบเพื่อนชั่วแน่นอนที่สุดไอ้ทรัพย์สมบัติที่เรามีมันก็พาเราไปทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเข้าครับอบอาบนวดเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายเป็นนักเลงการพนันเป็นนักเลงเดิมซุ้ยแน่นอนที่สุดเราจะเอาทรัพย์มาจากไหน mm. อันนี้ขอให้เราทุกคนลองพิจารณาดูว่าชาวบ้านทุกวันนี้มีกี่บ้านที่ไม่เป็นหนี้ทรัพย์สมบัติของเขามีกี่บ้านขอให้ท่านลองลองสอบถามดูนะ โมูบ้านหนึ่งเนี่ยไอ้ที่จะไม่เป็นหนี้เขาเนี่ยสักสิ บ, บ้านยี่สิส บ, บ้า น, นเห็นจะหายยา่ะเห็นจะหายยากต้องเป็นหนี้เขาแล้วเราก็มันไปคิดดูว่าท่านในจึงต้องเป็นหนี้ต่างการแน่ก็คือว่าคนในครอบครัวนั้นน่ะไม่ทํางานกันนี่ใช่พ่อแม่อาจจะทํางานแต่ว่าครอบครัวมีลูกหลายคนนี้ก็ไม่ไหวฉะนั้นลูกหลายคนต้องช่วยกันด้วยนะหรือว่าได้เงินมาแล้วก็ไม่รู้จักประหยัดเมื่อไม่ประหยัดแน่นอนหนี้ต้องเกิดขึ้นนี้ หแล้วว่าพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคนสรู้สุรายหรือคบเพื่อนบ้านไม่ดีเด่นการพ น, นันเดิมสุรามีไรอย่างนี้ก็ต้องเป็นหนี้เขาเด็ดขาดเป็นหนี้เขาอยู่กันเนี่ยครับฉะนั้นเราจะต้องอจะต้องทุกคนจะต้องขยันทําากรงานต้องแล้วก็ต้องรู้จักประหยัดกันด้วยนรู้จักประหยัดอย่างนี้ก็เราจะไม่เป็นหนี้เขาได้เมื่อเราไม่เป็นหนี้เราคงมีแต่ความสุขไปทั้งไหนก็รู้สึสบายบางคนต้องคอยหลบนะเพราะว่า ตื่นขึ้นเช้าอาจะนี้มาอยู่หน้าบ้านแต่แล้วตอนเย็นก็มาอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวโทรศัพท์ไปทำงานถึงก็ต้องสั่งคนโ น, น้คนนี้ไว้ว่าแถนนีคนนั้นโทรมาก็อย่าบอกนะบอกว่าไม่อยู่อ่ากินมันก็ไม่เป็นสุขนหลับก็ไม่เป็นสุขเตือนก็ไม่เป็นสุขคอยหวาดผวาอยู่ด้วยความเป็นหนี้บางคนก็ตรอมใจเน้อตรอมใจจนกระทั่งตายโผล่คอตายกินยาตายนี่เพราะความเป็นหนี้เขาบางคนก็โผล่จ้าให้ฆ่าสันตายนี่สา ร, พ, สารพัดเพยสารพฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่า สกเกอรแต่ความไม่เป็นนี่ถือว่าเป็นสุขอย่างยิ่งสกอย่างยอดนยี่ยมนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนอย่าสร้างนี่กันเลยนะอย่าสร้างนี่กันเลยแต่มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณความความดีเจอกันอย่างนี้เป็นประโยชน์ราการที่สี่ข้อสุดท้ายก็คือว่าสกเกอรแต่การประกอบการงานที่ปราศจากทษเนะีข้อนี้สําคัญคือเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่างานนั้นเป็นมิจฉาชีพ แน่นอนที่สุดก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแม้ว่าเราจะได้เงินมากไม้กายกองว่าเราทํา ง, งานสุดจะติดตั้งสองเท่าสามเท่าสิบเท่าก็แล้วแต่เราก็จะไม่มีความสุขเลยมันมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนไอการงานที่ปราศจากท่ทกนั้นก็มีหลายอย่างอ่ไอ้ที่ปราศจากท่ษ ก, ก็คือว่าเราอาจจะประกอบในทางมิจฉาชีพอ่าพวกอคลขายสิ่งของที่มันเป็น พิษเป็นภัยแก่สังคมประเทศชาตินะปลูกยาเสพติดปลกอะไรต่างๆนานาหรืออาวุธสงครามาหรือพวกของพวกอะไรก็แล้วแต่นะ่ะไอ้สิ่งเหล่านี้นะ่ะถือว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษแก่สังคมแก่ประเทศชาติถ้าว่าเราไปประกอบกิจการงานอันนี้มันก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษ ม, มีแต่ความเดือดร้อนหรือเป็นประเภทว่าไปคอยอลักขโมยพวก ทราพุทโธหรือพวกของโจรกรรมปฏิมากรรมของต่างๆส่งขายในประเทศต่างประเทศมันก็มีแต่ความทุกความเดือดร้อนเราจะเห็นว่าทางสถานีวิทยุหรือว่าทางอันนั้นผู้พิมพ์จะลองให้เราเห็นบ่อยๆบางครั้งก็จับได้ทางแกงเข้าของนี่เอารถบัสท่าไหร่ยังไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยแล้วเงินที่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมักจะหมดไปในเรื่องของการพนันนะไปสนามม้าบางจังวัน ไพ่วอลการพนันต่างๆนี่ไล่บอนไพ่วอลการสนันก็หนังสือพิมพ์ก็ลงอ่าถึงกระจับถึงกับทลายพวกอิทธิพลต่างๆนี่าารายขั บ, บตหวัดมากม้ยแตกนี้กระเจงไปเสียชื่อเสียเสียงนี่เขาจับได้ติดคุกติดตรารางทำให้วุ่นวายลูกอยู่บ้านพ่อแม่อยู่บ้านเป็นห่วงเนี่ยมันเท่าะอะไเพราะเราจะกอบการงานที่เป็นทุกข์เป็นทรมารดเป็นความเดือดร้อนนีเป็นเกิดความเดือดร้อนอฉะนั้น ถ้าหากว่าเราหลบสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญบางคนปร ะ, ระกอบอาชีพโดยการพวกค้าสัตว์ต่างๆที่กินเราดูแลมันก็บริสุทธิ์แต่อีกอย่างหนึ่งเราดูไอ้อาชีพค้าสัตว์นี่มันก็พลาดลูกพลาดพ่อพลาดแม่ซึ่งคำนั้นคำรู้สึกว่ามันเกิดทุกเกิดโทษมากนะหรือว่าพวกรับซื้อของโจรนี่ก็ถือว่ามีโทษทั้งนั้นนะมีโทษทางนั้นฉะนั้น การงานที่ปราศ จ, จากโทษนั้นจะต้องเป็นสังมาชีพนเป็นการงานที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองแก่สังคมแก่ประเทศชาติการงานอย่างนี้เมื่อเราทำสาเร็จแล้วเราจะเดินไปไหนจะนอนจะหนับอะไรมันก็มีความสุขมีแต่ความเจริญไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆนไม่ต้องหลบต้องซ่อนแม้ว่าเราจะได้เงินเดือนน้อยแต่มันก็สุขใจแล้วก็เราทามาด้วยบริสุทธิ์ใจ มันก็มีแต่ความสะดวกมีแต่ความสบายไม่ต้องคอยลกใครไม่ต้องกลัวใคร อ, อจะเดินไปทางไหนใครจะทําอะไรเราไม่มีความหวาดระแวงเพราะการงานที่เราประกอบนั้นถูกต้องต า, ตามกฎหมายแล้วก็บริสุทธิ์ดถูกต้องตามธรรมอีกด้วยนะตามธรรมอีกด้วยฉะนั้นจึงบอกว่าสุขของเครือขันธ์นั้นถ้าหากว่าเป็นเครือขันธ์ชายหญิงแล้วไม่สร้างทรัพย์ให้เกิดขึ้นนะไม่ใช้จ่ายทรัพย์ ให้พอเหมาะพอคูณอ่าแล้วก็อืเป็นหนี้เขาหรือว่าทํางานปจะจะทํางานที่เป็นโทษแน่นอนที่สุดเพผู้นั้นก็จะมีแต่ความทุกความเดือดร้อนแต่ถ้าหากว่าครรภัตอยากมีความสุขแล้วก็ตัองอ้งงานสร้างสะสมทรัพย์สมบัติให้เกิดมีขึ้นด้วยการขยันทําการงานน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อขยันแล้วต้องรู้จักประหยัดเมื่อประหยัดแล้วต้องรู้จักคบเพื่อนที่ดีคบเพื่อนที่ดีแล้วก็ต้องรู้จักใช้ใจทรัพย์ ให้พ้อเหมาะกับฐานะของตัวเองท่ะนั้นสุเกิดแต่การใช้ใจ่ายทรับก็ให้พร้อมเหมาะพอควรอ่าอะไรที่มันไม่จําเป็นเราก็ต้องหยุดต้องระงับอย่าตามใจปากนอย่าตามใจปากหรือสิ่งไรที่มันเอเกิดความอยากได้ทางตาหูจมูกรินกายใจก็ต้องรู้จักระงับไว้ม า, มาว่ามันจําเป็นไหมไม่จําเป็นก็หยุดทักไว้ก่อนไอ้สิ่งที่เราจะใช้ใจ่ายใช้สอนมันจําเป็นไหมไม่จําเป็นกเ็เอาไว้ก่อนอย่างนี้ก็จะทําให้เรามีความสุขได้แล้วก็ สุกแต่ความไม่เป็นนี่เป็นกึ่งหัดทำไมเป็นนี่เขอแล้วก็มีความสุขมีความสุขกายสบายใจหลักก็เป็นสุขหลงขอดเป็นสุขขอดเพลอขอดมีความสุขอย่างนี้มีแต่ความเจริญและประการสุดท้ายก็คือว่าสุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปราจากโทษประกอบสัญมที่ก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะบรรยายในหัวข้อว่า ความปรารถนาของบุคคลในโลกที่ได้สมหมายด้วยยากสีก่ประการคือหนึ่งขอสมบัติจงเกิดมีแก่เราโดยทางที่ชอบสองขอยอดจงมีแก่เรากับญาติพวกพ้องสามขอเราจงรักษาอายุให้ยืนยาวสี่เมื่อสิ้นชีพแล้วขอเราจงบังเกิดในสวรรค์ ทั้งสี่อย่างนี้เป็นความปรารถนาของบุคคลในโลกทุกๆคนและได้สมหมายด้วยยากก็คือว่าได้ยากทุกคนปรารถนาแล้วได้ยากนะไม่ยากํารทำทุกประการนี้สมเด็จอาตศมาสัมพุทธเจ้าทรงได้แสดงแกอนาถบิณิกาเสษฐีเข้าหับบุีนะอนาถบิณิกาเสตฐีเข้าหับบุีว่าเป็นสิ่งที่ อคนเราปรารถนาได้ยากในโลกคือหมายความว่าไม่สำเร็จได้ด้วยความปรารถนาหรือด้วยการอ้อนวอนนะเราจะต้องบังเพ็ญหรืจะต้องนำโนนปฏิตปทาอันเป็นเหตุที่จะให้บรรลุสิ่งนั้นๆเหมือนเราอยากได้ทรัพย์เราก็ต้องขยันะเป็นแต่เพียงแต่นึกหรือเพียงอ้อนวอนทรัพย์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นจึงต้องบงเพ็ญต่อไปนั้นขอให้ นักเรียนนักศึกษาและท่านสาวผู้คนทั้งหลายเรามาทําความเข้าใจอความจารถนาของบุคคลในโลกคือคนเราในโลกนั้นแน่นอนที่สุดว่าอยากให้สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมีขึ้นแก่เราโดยทางที่ชอบอทุกคนไม่อยากในทางที่ไม่ชอบก็คือมิจฉามิจฉาชีพอในทางที่ผิดแต่ถ้าสำมา สัมมาอาชีวะคือสัมมาชีวีตโดยทางที่ชอบอ่นะโดยทางที่ชอบเราทุกคนปรารถนาความสุขเราไม่ปรารถนาความทุกข์แต่ทั้งทั้งที่เราปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์นั่นแหละรู้สึกว่าการดําเนินชีวิตของคนเรานั้นแต่ละคนความทุกข์มันเข้ามาผ พ, พันมากกว่าความสุขหรือเนล่านะเข้ามามากเหลือเปลนเพรา ะ, ะแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันสวนความปรารถนาของเรา นี่มันสูงความปรารถนาของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราปรารถนาแล้วเราเราเพียงแต่ว่าใจนึกคิดแต่ว่าไม่ได้กระทำไม่ได้ลงมือปฏิบัติให้มันเป็นไปตามที่ตนปรารถนาเป็นประเภทที่เรียกว่าเพ้อฝันนะเป็นประเภทที่เรียกว่าเพ้อฝันคือมากกว่าฉะนั้นในข้อนี้แหละในทางพระพุทธศาสนายิงบอกว่าเราทุกคนนั้นจะต้อง ดำเนินชีวิตโดยธรรมดำเนินชีวิตโดยธรรมและการดำเนินชีวิตโดยธรรมนั้นก็คือว่าอย่าอยู่ว่างเปล่าชีวิตกับการงานเป็นของคู่กันนเป็นของคู่กันถ้าหากว่าชีวิตใดขาดการงานชีวิตนั้นจะสมบูรณ์ไม่ได้อจะสมบูรณ์ไม่ได้ชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตจะต้องประกอบด้วยการงานจะต้องประกอบด้วยการงานที่บริสุทธิ์นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น แลวทำไปแล้ววิญยูชนก็รับรองว่าดีอีกด้วยนะอย่างนี้ใช้ไดนะ้อย่างนี้การงานก็จะเกิดแก่เราแต่ถ้าหากว่าให้สมบัตินี่หมายถึงว่าการถึงพร้อมนะด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะถึงพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถึงพร้อมแก่เรานั้นเราจะต้องสร้างเราจะต้องสร้างเราจะต้องกระทำแต่ทุกวันนี้เราอ on ้อนะ on วอนกันนะอ้อนวอนกันรวดมนตกัน หวังลาบยศกันด้วยการบนมานสารกล่าวนะหรือว่าอยู่กับการพนันนะแทงหวยกันบ้างหวยรัดหวยราด ห, หรือว่าุกหวยใต้ดินนะอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จ ะ, ะได้สมความมุ่งมาป่ปรารถนาได้หรืก็สมชื่อแล้วว่าหวยใต้ดินคือมันมาใต้ดินเราไม่เห็นนะเรามองไม่เห็ น, นะหนทั้งๆ ท, ที่เรามองไม่เห็นเรวก็เราก็ยังอุตส่าห์พยายามเล่นกัน บางคนเล่นกจนหมดนี้อหมดตัวนะเล่นกันเป็นหมื่นๆกันแสนเล่นกันเป็นล้านๆห้าล้านสิบล้านก็นีนะอย่างนี้เราจะได้สมความมุ่งาามั่นปารถนาอย่างไรนะเรียกว่าไอทางโทรของเราเนี่ยมันมีประตูเดียวได้ทางที่เราได้เรามันมีเป็นร้อยพันพันประตูนะนี่ทางประตูทีนี้เขาก็มาโฆษณาหรือว่ามามีสิ่งชัดจูงให้เราว่าถ้าถูรเขาจะได้เท่า น, นั้นเท่านี้เราก็เลยเพอฝันกัน ไอ้สิ่งที่เราหามาได้ทรัพสมบิที่เราหามาได้นิดนิดหน่อยหน่อยเราก็ต้องเกลียดเอาไปเล่นการพนันนะเกลียดเอาไปาสแสวงหาในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละมันจึงไม่เกิดกับเราโดยทางที่ชอบนะไม่เกิดกับเราโดยทางที่ชอบแล้วเหมือนกับคนที่ไปเล่นการพนันหรือไปเล่นมาได้มาก็มาเลี้ยงกันกินหมดไม่ได้ก็เสียใจได้ไม่ ถึจะเสียรู้ได้ก็หมดเหมือนกันนะหมดเหมือนกันทางขึ้นทางลงนี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษมันมันไม่ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาดังนั้นเราทุกคนจะให้ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาเราจะต้องขยันะลงมือทําเองนะลงมือทาเองไม่ต้องไปคอยนะไม่ต้องไปงองมืองอเท้า ทุกวันนี้เรามืองอมืองอเท้ากันเรามือผัดวรนประกันพุ่งกันทุกวันนี้เรานอนคอยให้งานมาหาเราเราไม่เดินไปหางานมีที่ไหนงานมันจะเดินมาหาเราเราต้องเดินไปหามันเออเดินวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้ไม่ได้มาวันก็ไปเดินกันทั้งเดือนเดี๋ยมันต้องได้เขาทิ้งจนได้แหละต้องได้แต่ถ้าเราเกิดท้อถอยว่าเอ๊ไปแล้วไม่ได้สองวันไม่ได้สามวันไม่ได้ก็หยุดเลยแน่นอนที่สุดอย่างนี้ สิ่งที่เราจะได้มันก็ยิงยาเข้าไปทุกทีทุกทีนะฉะนั้นอจึงมีคำนัการสมัยองค์จุขโขถายจึงบอกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนี่ทรัพย์อยู่ในดินสินอยู่ในน้ําออกคลาข้างไปนะใครมีปัญญาก็หาได้นะใครไม่มีปัญญาก็หาไม่ได้ทรัพย์นั้นมันอยู่ ร, บรอบๆตัวเรานะสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ ร, บรอบๆตัวเรานะแต่ว่าเราไม่มีปัญญาที่จะทํามาหากินนั่นเอง บางคนหากินบนหัวคนก็รวยหากินอบนหน้าคนก็รวยนะแค่แต่งหน้าแต่งตาแค่นี้ก็รวยจับผมแค่นี้ก็รวยนี่คนเขามีปัญญานิ ด, นดนิดหน่อยน่อยทาเล็บแม้บางคนไม่มีปัญญาแน่นอนที่สุดเอามือไปให้เขาเอาเล็บขู ด, ข, ดขูดหน่อยเดียวเขาก็เอาแล้วสิบาทยี่สิบาทนี่เขาเรียกว่านะคนโง่อนะคนโง่คนไม่มีปัญญานะคนไม่มีปัญญาก็ไอแก่เล็บตัวเองไงตัวเองก็ยังต้องไปให้เขาตกเขาแต่งนี่ฉะนั้นอันนี้เราจะเห็นว่า คนอย่างประเภทนี้ก็เรียกว่าจะได้สิ่งที่สมหมายนั้นยากนะยากรูอตัวเองปรงารถนาสิ่งใด น, นั้นก็ได้ยากนะฉะนั้นจึงบอกว่าใอ้สมบัตินั้นมันคู่กับวิบัติใอ้สมบัตินั้นมันถึงพร้อมาวิบัติก็หมดหายไปนะหายไปฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดความวิบัตกิตกับตัวเราเราจะต้องสร้างสร้างด้วยการกระทํากระทาอะไรก็ทํากิจการงานน้อยใหญ่ อะไรก็แล้วแต่การงานจะเป็นการงานทางกายทางวาจาที่จะต้องใช้พูดหรือต้องลงแรงทําแบกห้ำอะไรก็แล้วแต่ใช้สมองใช้ความคิดมันเป็นประโยชน์ทางนั้นนะเป็นประโยชน์ทางนั้นขอให้เราทําเถอะนะขอให้เราทําเถอะอย่ามามัวแต่นุ่งแต่คิดแต่พูดแต่ฝันนะนั่งกินนอนกินไปวั น, ว, นวันหนึ่งอย่างนี้ไม่ไดนะ้อย่างนี้เราจะไม่มีโอกาสได้สมสมหมายเลย เราจะมีแต่ทุกข์เราจะมีแต่ททษเราจะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราอย่าหวังเลยว่าขอสมบัติจงเกิดมีแก่เราโดยทางที่ชอบโดยทางที่ชอบถ้าหากว่าเราตั้งใจทำงานมันก็เกิดกับเราที่ชอบได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเรื่องเราเกียจค้านแน่นอนที่สุดสิ่งเล่านั้นก็เกิดกับเราในทางที่ไม่ชอบหรือเรื่องยงาดำเนินชีวิตในทางที่ผิดพลาดด้วยการช่อราดบางหลวง หรือด้วยการเล่นการพ น, นั้นแน่นอนที่สุดด้วยการโจรกรรมเขาบ้างหรื อ, อด้วยการปล้นฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบอเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะเท่ากับว่าเราไปสร้างทุกสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่สังคมประเทศชาตินี้แต่ทุกมีแต่โทษนีแษ้แต่ความเดือดร้อนหรือบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็จับเอาไปติดคุกติดเรางหรือบางครั้งก็อาจจะถูกเจ้าทับเ์นั้นเขายิงตายฆ่าตายก็ได้นั น, นไม่แน่ เราจะไปนอนที่ไหนมันก็หลับไม่เป็นสุขนะคอยวหวาดผวาคอยสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจะปรารถนาอะไระใช้ไห้สมหวังนั้นเราจะต้องอยานตั้งใจทำนะตั้งใจทำต้องมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาถ้าขาดความเพียรนะแล้วแน่นอนที่สุดเราก็มีแต่ความทุกข์พระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรด้วยความขยนัน ขยัน เ, เรียนขยันศึกษาขยันทำกิจการงานน้อยใหญ่ทำการงานตามหน้าที่ของตนอ่แน่นอนที่สุดอย่างนี้เราก็จะได้สิ่งที่สมหมายจะได้สิ่งที่จนปรารถนานะนี่เป็นข้อแรกมาในข้อที่สองบอกว่าขอยศจงมีแก่เรากับญาติพวกพ้องของเราไอ้นะคาว่ายศนี่มันก็มีหลายอย่างหนึ่งอิอศรายศคือยศแห่งความเป็นใหญ่นะ คนจะเป็นใหญ่นั้นก็ต้องมีบุญญามีวาสนาเป็นใหญ่มีบุญญามีวาสนาแล้วก็จะต้องประกอบด้วยวาการลงมือทําจริงๆสร้างจริงๆอเรียกว่าต้องเอาแรงกายแรงใจเข้าไปต่อสู้ประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ด้วยความบริสุทธิ์ขยันมานะอดทนอแน่นอนที่สุดอย่างนี้เรามีโอกาสจะมีอิสริยยศได้เป็นใหญ่ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สร้างตัวเอง อเราไม่สร่างตัวเองวงงอมืองอเท้าง อ, อ, อแต่เพอฝันอย่างนี้แน่นอนที่สุดอิสยพก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่วารายพกนี่เป็นยกประเภทที่สองยกหมายถึงไม่วานพวกพ้องการที่เราจะมีพวกพร่องได้นั้นเราจะต้องเป็นคนเสียสละี่ประการแรกต้องเป็นคนเสียสละโอบเบื้ออารีเรียกว่านังโอบเบื้ออารีสองวจีภัยเหาะ สามสงเคราะห์ชนชนห้าเป็นคนเสมอติต้นสี่เป็นคนเสมุติต้นสมอหลายทั้งสี่อย่างนี้เนี่ยจะสร้างวัยวานให้เกิดขึ้นกับตัวเองถ้าหากคนใดเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เสียสินละไม่โอบเอื้ออารแก่ญาติพวกเพ้องเวรวานแก่มิสหายแก่คนทั่วไปก็อย่าหวังเลย ว, ว่าวัยวานจะพึงมีแก่ตัวเองแม้แต่ญาติเราก็มีแต่ทางจะหนีหน่งหรือว่าหลบหนี ไม่อยากเข้ามาเป็นพวกพ้องไม่อยากเข้ามาเป็นเพื่อนฝูงไม่อยากเข้ามาเป็นมิตรสหายเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เสียสมาธะนั้นคนที่เสียสละคือเป็นคนที่รู้จักเอื้อโอบเอื้ออาลีเอื้อเปลือผัว่าเจียจานให้กันและกันหรือมองเห็นคนที่มีทุกข์นั้นอด้วยความสงสารแล้วก็หาทางช่วยเหลือเขาตามฐานะตามโอกาสตามสมควรอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นมีบริวารนะร่การที่สองเราก็จะต้อง าพูดจาไพเราะอ่อนหวานคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานพูดจาไม่ประโยชน์แน่นอนที่สุดก็จะเป็นที่สัใจของคนเราพูดไปแล้วก็จะไปฟังไม่เบื่อนะฟังไม่เบื่อฟังแล้วก็เกิดความสุขใจฟังแล้วก็หายทุกข์ใจฟังแล้วก็ปลื้มใจฟังแล้วก็ทําให้เกิดความมาั่นนักในการที่จะทำํำกิจาการงานเม้าใหญ่ฟังแล้วทําให้เกิดการอดทนรุตต่อสู้นะ อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคําพูดที่สร้าสงาสมานในตรีทําให้เกิดประโยชน์และทําให้มีบริวารน่ะเป็นดังขั้งไอ้คําพูดที่ไมดีนะ ก, กระโชกโคกห่าหรือว่าพูดจาไม่เคราะอันนี้ก็เทากับว่าตัดบริวารของตัวเองไ ม, ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมไม่มีใครอยากพูดด้วยเพราะเพรนั้นคําพูดมันหยาบเหลือเกินมันหยาบน่ะฉะนั้น ผู้จะเรื่องคําพูดนี้เขาก็แบ่งไว้เป็นสามประเภทคือหนึ่งนัทภุระาภาณีเอะปุกภะภาณีสุกภะภาณีหมายถึงว่าปากหอมอี่ปากหอ ม, ป า, หอมปากหอมหมายถึงว่าปากดอกหอมมันดอกไม้อะปุกภะแปดอกไม้อะปากหองคุณประเภทนี้พูดแล้วก็ทําให้คนชื่นชอบสนใจมันหอมไม่หายนม้ว่าจะพูดเอวันนี้พรุ่ง น, นี้เดือนหน้า ก็ยังนึกถึงคําพูดแล้วก็ยังหอไม่หายอยู่ประเภทที่สองลัทธิละพาณีปากหวานเอปากหวานคือฟังแล้วรู้สึกมันราบซึ้งฟังแล้วมันกินใจแล้วก็มีนกินใจเนาะปากหวานฟังแล้วเพราะฟังแล้วทําให้เราไม่เกิดทราบซึ้งเกิดความสุขกสาสบายใจนี่คือีพวกปากหวานอประเภทที่สามคู่ทะพาณีนี่ปากเหมือนเหมือนคู่นปากประเภทนี้คนเลวนหน้านี้ ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมอไม่มีใครอยากพูดดื้อนะเพราะอ้าปากมามันก็เหมือนซะแล้วมันเหม็นซะแล้วหรือพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่พูดจาไม่จริงพูดจาโกหกหลอกลวงเนะหรือว่าพูดแต่คําหยาบคายนะพวกประเภทนี้ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยนะแต่คนที่พูดดีก็คือว่าพูดคําสัตยนะ์พูดความจริงนะพูดคําอ่อนหวาน พูดนี้ประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตาพูดรู้จกการะทศะถ้าพูดอย่างนี้แนะน่นอนที่สุดบริวารมากบริวารเยอะแต่ถ้าไม่พูดอย่างนี้แล้วก็บริวารก็หายบริวารหายเ น, นี่ยถ้าให้เราสังเกต ด, ดูนักพูดที่มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศนั้นจะเห็นว่าทุกครั้งเวลาเขาไปพูดที่ไหนจะมีบริวารไปฟังกันเป็นนูนเป็นแสน ดีแล้ ว, ลวทุกคนจะต้องทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเกิดขึ้นแก่คนห น, นะน่มแน่คืออะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปปวุกหัเอาตัวเองเข้าไปยอมรับด้วยไม่ใช่ว่าเห็นแต่ประโยชน์ ใช่ไหอย่างนี้จะทำให้เรามีพวกพ้องบริวารนะฉะนั้นในข้อที่สองบอกว่าขอหยดจงมีแก่เราเกีับญาติพวกพ้องบริวารเมื่อเราดีก็ทอให้ญาติพวกพ้องของเราดีไปด้วยชื่อเสียงของพวกพ้องญาติของเราก็เครียดไปด้วยนะฉะนั้นตัวเราให้จงเป็นสิ่งสําคัญถ้าตัวเราไม่ดีไอ้เราก็ไม่มีพวกพ้องบริวารทรัพย์มรดกไอ้ญาตของเราก็เพรีขาดพวกพ้องบริวารไปด้วย ถึงแมยว่าญาติของเราจะดีแต่คนคิดว่าเ อ, อพวกของคนนี้มันไม่ดีนะเรื่องคนนี้มันไม่ดีมันอยากกบค้าสมาคนแม่ถ้ามันคิดอย่างนี้แน่นอนที่สุดมันก็ทําให้ญาติของเราก็ขาดพวกพ้องบริวารไปด้วยฉะนั้นเราทุกคนก็จะตั้งเป็นคนเสียสนะเป็นคนพูดดีเป็นคนช่วยเหลืออประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็วางตนเสมอต้นเสม อ, อ, สมอปลาย เราก็จะมียศบริวารเกิดขึ้นแก่เราและแกญาติพวกพองของเรามากหมายสายกองก็จะทําให้เกิดความสันติสุขขึ้นได้ประการที่สามขอเราจงรักษาอายุให้เยืนอนยาวก็คือว่าทุกคนปรารถนาให้มีอายุยืนไม่มีใครปรารถนาให้มีอายุสั้นนะอันนี้มันเป็นหลักความจริงเราทุกคนเกิดมาอยากให้อายุยืนนิดเดี ฉะนั้นสังเกตดูสิเวลาพระท่านให้พรอายุวันโนสุขังพลังโยมอยากโยมไปยกมือเลยสาธุอขอใข้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าทุกคนอยากอายุยืนแต่ว่าทุกคนไม่รู้จักวิธีว่าวิธีการที่จะทําให้อายุยืนนั้นคือทําอย่างไรอันนี้ทุกคนไม่รู้ไม่ทราบหรือ ท, ทุกคนรู้ทุกคนทราบแต่ว่าไม่ปฏิบัติแล้วอายุมันจะยืนได้อย่งไรอายุมันจะยาวได้อย่างไร การที่จ ะ, จะรักษาให้อายุยืนนั้นพูดในทางโลกโลกในทางโลกโลกหรือว่าในทางหมอเขาก็กำหนดให้เรานั้นจะพุ่งเรื่องหลัก5าอ <c oughs> อนะเรื่อหลักหาออออที่หนึ่งก็คือเรื่องอาหารอาหารเราจะต้องบริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย <c oughs> เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอาหารนั้นจะต้อง ย่อยง่ายไม่ย่อยยากแล้วเพียงแต่ข้อแรกข้อเดียวเราก็มาดูที่ว่าที่เราบริโภคอาหารทั้ ท, ทุกวันนี้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทํำให้เราอายุสั้นเทื่สุดนะทาให้เราอายุสั้นที่สุดนั่นคื อ, อยังไงบางครั้งเราก็กินอิ่มเกินไปนี่บางครั้งเราก็กินน้อยเกินไปอ่าแล้วอาหารที่เรากินก็รู้สึกว่ามันมีพิษมีภัยแก่สุขภาพ เนว่าเราเดื่ซูช่าเราสุหรี่ดื่มน้ําอัดลมสูงมันมีพวกพวกรดพวกอะไรเจือปนสารพิษต่างๆเยอะแยะหน่อยนะเยอะแยะนะแล้วก็พวกสิ่งนี้ก็เราก็สัมหาทํามาอย่างนั้นดีดีห่อนี่มีนี่แหละสิ่งนี้เป็นสิ่งบันทอนทําให้เราอายุสั้นแล้วอาหารของเราทุกวันนี้เขาตกแต่งให้สวยงามเพราะเขาใ ส, ส่ตกสารเคมีใส่ตกวัต ถ, ถ, ถุกันรูดกันเน่า การเสียหรือว่าใส่สีทาให้สีสันสวยเพื่อเราโดพวขวายมันก็ไปแปรสภาพเกิสติปาต่อร่างกายทาให้ร่างกายของเรานน้นชั่งนิสิตสมไปเียงนหน่อยพอเราเกิดเจ็บวดท้าไอ้สิ่งนี้ก็ผสมทาให้เราอายุสัน้นทาให้อายุสัน้นบางครั้งเราก็ เส้นเลือดหดคอรหรือเป็นโยกพิษซีดลุ่ทวารอะอะไรต่างๆใ น, นนาปวดหัวตัวร้อนเนี่ยมันเรื่องมาจากเกี่ยวกับเรื่องการวิจาระไม่เป็นเวลานเวลาหรือท้องผูกที่เ ร, เรียกว่าท้องผูกนั่นเองฉะนั้นเรื่องอุจจาระนี้ต้องมีการขับถ่ายให้เป็นเว่องเวลาอันนี้ก็จะเรียกเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราอายุท่าในอายุยืนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน <S <S <S ในข้อที่สามก็คืออากาศเราต้องอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้โดสุดบริบุณ ถ้าว่าเรอยู่ในที่อากาศไม่ดีมันพึงพึงหรือว่าอากาศในสิน่งแดล้อมมันไม่เต็มไม่สะอาดมันจุก็ัปลกมาไนเนี่ยอออือพวกไอพวกมารพิษต่างๆไงพวกต่างๆของพวกใสโรงงาน ข้อสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ข้อนี้สําคัญว่าให้เราทุกคนจงรักษาอารมณ์อย่าให้อนิทฐานอรมณคืออารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามามากถ้าเรามีาม ค, วามมามความโลภความโกรธมากมากมีความหลงมากมากแน่นอนที่สุดนี่เป็นเหตุที่ทําให้เราอายุสัน้นไม่เป็นเหตุที่ทําให้เราแก่เร็วคืออารมณ์เครียดมากไม่ทําให้เราอายุสั้นแก่เร็วแต่ถ้าเราไม่เครียดรู้าจักพ้นคลายไม่เก็บอารมณ์ อรสิ่งที่เราไม่พอใจที่เราประสบทางตาหูจมูกจีนหายใจเราขยักมันไปนมันผ่านไปนเอาแต่สิ่งที่ดีที่งามมาทําให้อายุงจิตใจแจ่มใสอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เราอายุยืนได้่ีเป็นเหตุให้อายุยืนส่วนในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือว่าให้เรานั้นดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามํานองความธรรมคือใหข่าสัตรูไม่เบียดเบียนสัตว์อย่างนี้ก็จะทําให้เรามีอายุยืนแล้วก็ดำเนินชีวิตโดยทํา ปหตการที่4ี่คือข้อสุดท้ายก็คือว่าเมื่อสิ้นชีพแล้วขอให้เราจงมันเกิดในสวรรค์คนเราจะไปมันเกิดในทางที่ดีได้นั้นเราจะต้องประกอบเกี่ยวกับเวิญญาณทานการกุศลถ้าหากว่าเราไม่ประกอบวิญทานการกุศลแน่นอนที่สุดเราจะไปมนเกิดในสวรรค์ไม่ได้เราก็ไปแต่ทุกติไปแต่พวกเปยมโลกอสุรกายพวกเบลฉานแต่ถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตโดยธรรมก็คือว่ามีการทำบุญสมทานมีการสะสมสีมีการเจริญภาวนา อยู่ตลอดเวลาแน่นอนที่สุดเราก็จะไปบังเกิดในสวรรค์ได้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเอาละเกี่ยวกับการบรรยายความปารธนาของบุคคลในโลกที่ได้สมหมายได้ยากสีประการก็พอ